เพื่อนของยศสาวคน ร, ร, รบสี่สิบห้าเกิดลไปเป็นหกสิบลูกได้่งประกาศศ า, าสนาองค์ในตรัสว่าจรถาภิกเวจาริกังพระหูชนาหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกาโนกรรมปายะพิโศทหลายจงไปเพื่อบอก<ป>เพื่อสอนให้เกิดประโยชน<ป>์แก่คนหู่มาก<ป>เพื่อโลก<ป>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 ความโกรธไม่เป็นธรรมจะไปเคารพจะไปทำตามจะ่ไปขดชิ่นอย่าไปขุดค<ำ>ุ้นคิดจะ่ไปทําตามผมความโกรธความทุกข์ให้มาทำตามให้มาเคารพพระธรรมคือปฏิบัติต า, ามธรรมถ้าเราต้องการความเจริญผู้มีความหวงความเจริญเจอตนจงเคารพพระธรรมอย่าง น, นี้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 อาใช่ไหวจับก้าลงพลังแต่ไหนก็ละได้ความชั่วเวลาไหนก็ทำได้ความดีไม่มีการไม่มีเวลายอ <c oughs> ะหูมันลบกวนเหลือเกิน <c oughs> าก็กล า, าก็กลาเลยถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้กินหะชีวิตก็มันค่อยสะดวก ก็เลยจะใช่ได้เท่าไหร่นะนะจังขยันเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องบอกเนี่ อ, อื่นก็ใช่ไปได้แต่เรื่องนี้ยังใช่ได้อยู่นะนะมีปัญห า, าไหอ่ยิ่งกนในใระจจนได้ไกลถ้ามีความครบพระธรรมแล้วถ้ามีความครบพรรม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 โกดพระธรรมมองกฎโจดพระธรรมอะไนไม่เป็นอะไรถึงน น, น, นเหตุมันก็นนอยู่ที่นี่ทุกสิ่งเกิดจต่เหตุดับที่เหตุพ้นที่เหตุมันหลงเป็นเหตุที่เราก็โจรได้หวันเราสะดุดต อ, อกระโจรไปได้ตกตาไดเพอกระโจรไปได้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 เกิดความล้อความเกิดชังเพราะความคิดมันไม่รู้จะหลับากพักอะไรเราจึงอันง่งายๆอ่ะดูความคิดเนี่ยไม่ต้องลงแรงอะไรนอนอยู่ก็มันคิดก็รู้เวลานอนนั่นแหละหัดก่อนเค่หลับก่อนที่จะนอนหัดอายจจดูลมหายใจเข้าออกกลมไป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 อันถ้าพูดประวัติพูดเจ้ายนะเช่นเมื่อวันนั่งพูดว่า อ, องค์พริมานบวชอยู่เชิดต่วันมันไม่ใช่อยู่ที่เวลรวันนะองละจัชคือนะนั้นจับผิดจับถูกอย่าถือสาหาผิดหาถูกกับหล้องตามันก็อยาคูดแต่มันจําไม่ได้ความจำมันขี้เกียจจำ บินทั้งบาดอยู่ฝั่งแม่น้ำเห็นเต่าตัวหนึาคานอยู่แม่น้ำฝั่งหากินอยู่ตอนเช้าพระพส่งบินทาบาทชนักป่าวิ่งออกมาจะกินเตา่าจะกัดเต่ากระแทกเต า, เ า, เ า, เาเกินไอเต่าก็เห็นชนักวิ่งมากัดมันก็หดอวัยวะเข้าในกระดอง หงาป่าก็จิ้นม่ได้เพียงแต่เอาปากไปจุบเฉยๆจะกัดกระดองก็กัดไม่ได้เมื่อเห็นอวัยวะส่วนหน่อยมันมีกระดองเป็นที่อยู่ของมันแม่มันมีขาสีขามีหัวแล้วก็มีกระดองอยู่พิสูจนทั้งหลายจงเอาเย่างเต่าเนี่มันมีกระดอง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 ถึงกับความรักวามชางความดีใจเสียใจไปโน่นเจ็บปวดไปโน่นไม่อยู่ในกระ ด, ดองกับมาสาเวลานั่งอยู่เวลามปิดไปกรบมารู้เฉกเนี่ยที่มือที่เคลื่อนไหวนี่กระ ด, ดองของเราถ้าไม่เคลื่อนไหวมือก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นกระ ด, ดองของเราให้มีกระ ด, ดองอยู่ก่อน อะไรก็มีที่อยู่นะกายของเราคิดของเราไม่ีที่อยู่ไม่ีบ้านไม่ีเรือนอะไรก็มีที่อยู่แม้แต่นกก็อาใจขนอาใจปีกมันฝนตกมันก็ไม่เปียกมันมีผ้าหม่มมันมีเครื่องการฝนแต่เราต้องมีบ้านนี่เป็นที่อยู่ของกาย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 แล้วก็เป็นจิตอาภัพเมือ่อจิตอาภัพ ก, ก็จนได้ง่ายโกรธก็จนความหลงก็จนความทุกข์ความอร่อยก็จนจนใจถ้ามีสติดีเกิด <c> จ <oughs> <c oughs> นมัน <c oughs> เป็นอริชัพแม่ก็ไม่จนคนหลงคือคนจนนาะคนโกรธคือคนจนคนทุกข์คือคนจนเนาะ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 ปัญญาประเสริฐกุศลปัญญาวัฒเนรนันชยโยปัญญาวัฒเนนันชยโปัญญาเทวประเสริฐกุศลคือสติปัญญาเนี่ยเ<ม>ช่นความโกรธทรบช่วยไม่ได้ต้องมีสติปัญญาคก้ได้มันทุกข์ ทุกจอน้ำตาไหลเอาเงินไว้มันก็ยังไม่หยุดทายมันจะไม่หยุดร้องให้นางทีมันทุกข์เพราจากจะฆ่าจากจะตีกันเคยไ ป, ไปอบรมสำเนีนภาคล้นภาคใต้เดิเนทะเลาะ ก, กันเน้นโต๊งหนังก็จะตีให้ได้จะต่อยมันให้ได้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 มีมีด้วงขึ้นไปเจาะจนทันสาลาที่ที่ทขวยมันปิวลงมาใส่จาต้องกวดคิดว่าจะได้ไดเปลี่ยนมันไม่เนื้ออ่อนไ ม, ไม่ไม่เดชว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วจนทันตัวนี้ที่ไหนได้ก็ลอกไปผ่าตัดเลย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 คิดเห็นคุณคุของมันเห็นคุณค่าของมันมันช่วยกันเป็นจนงูใหญ่วางหนูมาสู้กับแต่ตัวเดีด้วยก็แต่ก็บังคับให้มันขคตอยู่เรื้อยเวลาใดก็กัดถางไว้หนูก็พ้นไปได้นี่ก็บระทับใจมากนะนี่ก็แต่มันช่วยกันเป็นคนเรานี่ยหัวเมียกันก็ยังช่วยกันเป็นทับให้กันโกรธทำให้กันทุกข์ เวลาทุกเราไปช่วยกันแล้วคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งก็โกรธตามไปเอช่นเดียช่วยกันเวลาโกรธคนหนึ่งหลงก็คนหนึ่งก็ทําให้หลงไปนะคำมาดุมาด่าให้กันหลงให้กันโกรธเพิ่มขึ้นไม่ใช่ลูกกับเตะไปละนัก็เป็นชีวิตของเรานะมันมีค่าจริงๆนะ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 ถ้าเรามีความดีแล้วเราจะมาฝึกตนสอนตนแบบนี้เติมต้นก้าวแรกจับหลักสตดให้ได้มีกายเห็นกายให้ครบท้วนอย่าให้กายมันหลอกเห็นเวทน า, าเป็นสุขเปรนทุกข์ใมันหลอกตายเห็นจิตที่มันหมกมุ่งคนคิดใจมันหลอกได้เห็นธรรมที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจ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 ตอนเห็นสมมุติเห็นบัญหัติเห็นปรมาณีสัตวกที่ฉุดลยอยขงตัวที่ฉุดลอยเขื่อมแข็งที่ฉุดลอยมองอะไรมันไม่มีข้างคาเลยพอเห็นสมมติบัญญัติเห็นปรมาณีสัจจะบัดถัะอกาการต่างๆเอือมหลงไม่เก่งมาจากความไม่หลงเก่งกว่า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 ดวตาเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนถังขยะโลกอดความไม่เที่ยงสังไตรักเนี่ยี่ที่ทิ้งแล้ววะน่สะอาดแล้วแต่ก่อนพลุงมพลังไปชีวิตสะอาดก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นไตรลักษ์เนี่ยไปชีวิตสะอาดโดยสะอาดดจดจอกเครื่องสมองเพราะประมาจา่ย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 อู้ฝึกตนนี่แล้วไม่จะเทือนเพราะอะไรเพราะโลกของรถพี่แถ่นี้เตียวเลยเห็นวัตถุเห็นอาการที่มันมีในคอในรูปในนามเนี่ยหรือว่าจะเข้าประตูทําเลยก็ได้ตรงแน่มันสะดวกที่สุดเลยถึงข้าสะดวกก็สะดวกนะถึงข้าวคุกะก็คุกเข่เมือกับเราเดินทางกันนะ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 ไม่เมีอนลายของกันหรอแต่บางทีก็มีบินบางบางเที่ยวก็บินสูงกว่าเราขางวีบางเที่ยวก็ บ, บ, บ, ก บ, บินต่ำกว่าเรามันคนลรทางกันเขาก็มีทางนะสังเกต ด, ดูบางทีก็เร็วกว่าเราบางทีกขาช้ากว่าเรามันก็สะดวกเการปฏิบัตธรรมก็มีโอกาสสะดวกเหมือนกันมันพาเราไปทางมันพาไป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 ต่อมีชีวิตที่อยู่เหลืออยู่นี่เพื่อการนี่แหละไม่ได้เพื่ออะไรหรอกอันเดินเอาไว้ให้คนอื่นถามแต่ขอใช้เวลานี้เท่านี้แหละตอนเช้าขอพูดได้ตอนเย็นขอพูดไม่ออกอดฉาฟังเอาเสียงเป็ดเสียงหัวกวนหัวอ้อหักวนเจอเวลาเรากลับพรฟอมกันนะ